พรหมมีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรยอมรับกราบยังราบเลยหาที่คานไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีมากี่กับกี่กันนับไม่ทั่วแล้วมีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดามาตรสรู้กก็มารู้เห็นสิ่งเหล่านี้นอกจากเห็นกิเลส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 เรื่องจิตวิญญาณว่าเป็นของมีจริงดังนี้จิตดวงนี้ไม่เคยตายไม่เคยฉิบหายแต่ไหนแต่ไรมาถ้าพูดเรื่องวัตถุต่างๆในแดนโลกกรธาดนี้ว่าอันไหนมากกว่าอะไรไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกเต็มทองฟ้ามหาสมุทร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 สัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาด้วยกันอย่าตำหนิกันด้วยชาติชั้นวรรณะสถานะสูงต่ำอย่าไปตำหนิกัน มีคนจำนวนมากยังเข้าใจว่าเมื่อสิ้นใจตายไปแล้วก็สูญสิ้นจบกันเท่านั้นแท้จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนย้ำเสมอๆว่า สัตว์ที่ว่าตายเกิดตายเกิดมันไม่มีที่ไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สูญมันหากหมุนหากเวียนกันออกแกกนี้ไปเป็นสัตว์เป็นเทวบุตรเทวดาไปเป็นอินเป็นพรหมก็มีเป็นเปรตเป็นผีก็มีเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ตั้งกับตั้งกันมาแล้วจิตวิ ญ, ญญาณดวงนี้ตายไม่เป็น เพราะฉะนั้นคำว่าตายแล้วสูญถึงขัดกันเอาอย่างมากทีเดียวเป็นโกณมายาของกิเลสโดยตรงที่หลอกสัตว์โลกให้ทำชั่วเพราะถ้าว่าตายแล้วสูญแล้วไม่มีเนื่อนสืบต่ออยากทำอะไรก็ทำความอยากทำคือทางเดินของกิเลสอยู่แล้วก็ทำตามความอยาก ตายลงไปแล้วไม่สูญละสิก็เสวยกรรมอยู่งั้นอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกเต็มอยู่ในโลกอันนี้เพราะมันไม่สูญหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามอํานาจของกรรมเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้อยู่อย่างนั้นตายแล้วก็เกิดเกิดตายกองกันพวกนี้พวกตายกองกัน กองทัพเขากองทัพเราอยู่นั้นไม่มีทางไปเพราะจิตวิญญาณไม่สูญมีเต็มท้องฟ้าอากาศที่ไหนเต็มไปหมดไม่มีอะไรมากิ่งกว่าธรรมชาติอันนี้หนาแน่นที่สุดนี่ละเรียกว่ากรรมของสัตว์คือพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ามากวาดเอาดวงวิญญาณเหล่านี้ ที่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเทวบุตรเทวดาแล้วก็ถอดออกไปถอดออกไปพ้นไปพ้นไปใครจึงให้สร้างความดีสิถ้าอยากพ้นไปตามพระพุทธเจ้าให้สร้างความดีมันเปลี่ยนเรื่อยนะจิตวิญญานนี่เปลี่ยนเป็นพบนั้นชาตินี้ตามอำนาจของกรรมหมดกรรมนี้แล้ว ก็มีคำน้นต่ออีกพบนั้นสืบพบนี้ไปเรื่อยกำหนักกำเบามีอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนั้นล่ละ พูดธเจ้าอย่างร่า ความเห็นที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่คืนอัศจรรย์บนวัดดอยธรรมเจดีเป็นต้นมาทําให้ท่านกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบและกราบยอมรับยืนยันในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาแสดงไว้ทุกอย่างไม่มีที่คัดค้านไม่มีอะไรติดข้องภายในใจเลยท่านกล่าวอย่างเด็ดถึงขนาดว่า หากว่าผู้ใดจะมาตัดคอเราถ้าเชื่อตามพระพุทธเจ้า ว, ว่าบาปนรกสวรรค์มีแล้วจะตัดคอเรายอมให้ตัดเลยแต่ถ้าเชื่อที่ประจักษ์หัวใจนี้ไม่ยอมตัดเราจะตาย ท, ทั้งทั้งที่คอขาดก็ไม่เสียดายเพราะเราได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละาศาสนา เปิดเผยมากี่กับกี่กันแล้วสอนชาวเราทั้งหลายกิเลสมันก็ปิดมากี่กับกี่กันแล้วให้สัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงงกงันไปตามมันให้ได้รับความเดือดร้อนมากมายให้เชื่อเถิดถ้าไม่อยากจมให้เชื่อพระพุทธเจ้านะศาสนานี่เป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรเหมือนแล้ว พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นจิตที่บริสุทธิพุทโธสว่างจ้าครอบโลกธาตุแล้วจึงมองเห็นได้หมดเรียกว่าโลกวิธูเมื่อจิตได้เข้าถึงขั้นบริสุทธิพุทโธแล้วจะสว่างจ้าแม้จะไม่ลึกซึ้งกว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตาม พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีใบดกใบหนาชุ่มเย็นแผ่กระจายกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างกว้างขวางแม้ต้นไม้อื่นๆจะไม่กระจายกิ่งก้านสาขาออกไปกว้างขวางอย่างต้นไม้ของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เต็มกำลังแห่งกิ่งก้านสาขาของตน ที่แผ่กิ่งก้านออกไปนั่นเองนี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านออกไปสุดแดนโลกธาตุสุดแดนสมมุติแต่ความรู้ความเห็นของพระสาวกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญยังมีอีกก็ลดกันลงมาลดกันลงมา แต่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เลยกระจางแจ้งด้วยกันหมดนอกจากท่านจะพูดหรือท่านไม่พูดเท่านั้นนี่เป็นโอกาสที่ได้มาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติแต่ก่อนเราไม่เคยพูดรู้ก็รู้เห็นก็เห็นประจักษ์มาตั้งแต่ที่กล่าวนั่นแหละวัดดอยธรรมเจดี เพียนฝึกไปก็สว่างได้ความสาเร็จขั้นสูงสุดในชีวิตนักบวชของท่านในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความภาคเพียรอุตสาหะอย่างแท้จริงทั้งๆ ท, งที่เมื่อครั้งเป็นคราวาดอยู่นั้น ท่านไม่รู้จักเรื่องบุญกรรมมาก่อนแต่ยังใดแต่ด้วยท่านมีนิสัยรักเคารพในเหตุผลอัตธรรมเป็นพื้นฐานมาแต่เดิมชีวิตของท่านจึงเปลี่ยนแปลงไปท่านกล่าวไว้ดังนี้เราอ่านเราที่อ่านมาเพื่อเป็นคติสอนพี่น้องทั้งหลาย คือเราอ่านตัวเองมาโดยลำดับตั้งแต่เริ่มแรกเลยไม่รู้ประษีปราษาอะไรเลยมันก็เห็นชัดๆในใจของเราคือไม่รู้จักบุญจักบาปมีแต่ความอยากได้สมมุติไปหากินนี้ไปหาอะไรบ้างที่มันจะได้เห็นสัตว์ฆ่าสัตว์เห็นปลาเอาปลาเห็นไก่เอาไก่เห็นอะไรเอาทั้งนั้นเพราะอยากได้ มันไม่ได้คำนึงถึงบุญถึงบาปนั่นละ่ะดูพื้นฐานของจิตนี่เป็นพื้นฐานของจิตในขั้นนั้นว่างั้นเถอะคือว่าไม่ได้สงบเรื่องบาปเรื่องบุญอะไรเลยมีแต่ความอยากไปหาอะไรก็อยากได้อันนั้นไปหากินมันก็ไม่พ้นที่จะฆ่าสัตว์เห็นสัตว์ตัวใดเอาทั้งนั้นละ่ะ จากนั้นก็ามาบวชเป็นพระนี่แหละความรู้สึกทางด้านจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนมาบวชเป็นพระนะแต่ก่อนเป็นธรรมดาแต่อันหนึง่งที่เป็นนิสัยจิตใ จ, ใจอยู่นั้นความเคารพพระเลื่อมใสพระและเชื่อาศาสนามันฝังอยู่ในจิตเลยเห็นพระคือไม่อยากพบไม่อยากเข้าไปใกล้อายท่าน อายกับกลัวเป็นสิ่งอันเดียวกันไม่ค่อยจะเข้าไปหาพระที่ไม่เข้าไปหาคืออายท่านลักษณะอายกับกลัวมันอยู่ด้วยกันถ้าไม่เจอหน้ากันจริงๆแล้วไม่ค่อยได้พบพระนอกจากจะไปเจออย่างจังหลีกไม่ได้ก็หมอบกราบสักทีนีพื้นใจนะ พื้นของจิตที่มันเป็นของมันในหลักธรรมชาติธาตุดั้งเดิมมันเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบาปเรื่องบุญอะไรนี่เป็นเรื่องความอยากอยากได้อะไรก็ไปตามความอยากไม่ได้สนใจกับคําว่าบาปว่าบุญอะไรถึงวาระจะบวชละ่ะนี่ก็อ่านมาตลอดนี่แหละคําว่า สายบุญสายกรรมมันเป็นที่แน่ใจเจ้าของเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยจนว่ามันจะไปจริงๆก็มีนะป่วยบางครั้งหนักมากแต่สติยังดีอยู่เวลาเป็นไข้หนักนั่นนะตอนใกล้จะบวชพอหายป่วยแล้วก็ อ, ออกบวชปีนั้นหละป่วยหนักเสียด้วย จากนั้นมาประวัติเกี่ยวกับเครื่องบวชหนักเข้านะเอเราจะตายแล้วจริงๆเหรอือยังไม่ได้บวชพอมีบุญติดเนื้อติดตัวเลยเหรอือเป็นคำนึกน้อมในใจว่าขอให้โรคนี้หายโรคหายภัยขอให้ได้บวช แล้วมันก็แปลกนะโรคนี้มันจะตายอยู่แล้วนะมันก็หายวันหายคืนทีนี้ออกมาบวชมันเหมือนกับว่ามีอะไรช่วยนะเวลาบวชก็ง่ายมากไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยเกี่ยวกับเรื่องการบวชอย่างอื่นขัดข้องหมดเกี่ยวกับเรื่องบวชโล่งไปเลยนี่อะไรน่าคิด เวลาบวรเราก็เป็นนิสัยอันนี้ด้วยจริงจังมาตลอดเป็นครวาดก็จริงตลอดเป็นพระมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะแล้วมันก็ยิ่งแน่นแม่นยำติดแน่นกับหลักธรรมหลักวินัยนี่เรียนหนังสือไปเรียนไปเอกใจไปเรื่อยเรียนหนังสือธรรมะ เรียนไปเรียนไปเอกใจเรื่อยเอ๊ะนี่ท่านตำหนิว่าอย่างนั้นเราก็เคยทำอย่างนั้นมาแล้วเอ๊ะเรื่อยๆนะให้สะดุ้งเรื่อยไปแต่ในเรื่องภาวนาไม่ละนะนี่อันหนึ่งมันแปลกอยู่เรื่อมใสพระกรรมฐานเราอยู่เรียนหนังสือถ้าเห็นพระกรรมฐานมาพักในวัดเรานี่ เราจะไปถึงก่อนใครละ่ะไปคุยกับท่านท่านคุยหน้าฟังนะติดใจชอบกรรมฐานภาวนาก็ไม่ลดละภาวนาอยู่เงียบๆไม่ให้ใครรู้ทำอยู่แบบนั้นละ่ะนี่อันหนึ่งฝังใจฝังนิสัยเรียนหนังสืออยู่กับพวกลิงพวกข้างเขาไม่รู้ภาษีภาษาอะไร กริยาท่าทางก็เป็นไปเหมือนเขาแต่ส่วนลึกในหัวใจเรานี้คือเรื่องภาวนานี้เราแม่ละธรรมเป็นหลักใจไม่ลดละเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าล่วงเกินศิกขาบทวินันด้วยเจตนาอันลามก